ราสุตตันตปิดกอังคุตรานิกายปัญจกะนิบาตประชุมหัวข้อธรรมะห้าข้อขอยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้นิวรณเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเปรียบกับเครื่องเศร้าหมองของทองห้าอย่างคือเหล็กโลหะดีบุกตะกัวและเงิน 1. ความพอใจในกามสอง ความปองร้าย 3. ความหดหู่ง่วงงุน 4. ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ความลังเลสงสัยการเดินจงกรมมีอานิสงส์ห้ายอย่างคือเดินทางไกลได้ทนอดทนต่อความเพียนมีอาภาษน้อยอาหารย่อยง่าย สมาธิได้ขณะ hey. เดินจงกรมอยู่ได้นานฐานะที่ขอไม่ได้ในโลกห้าประการขอให้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่ขอให้สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บขอให้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายขอให้สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไป ขอให้สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายผู้บวชเมื่อแกมีคุณธรรมได้ยากหประการพระแก่ที่ละเอียดอ่อนหายากพระแก่ที่สมบูรณ์ด้วยอากับกิริยาหายากพระแก่ผู้คงแก่เรียนหายากพระแก่เป็นธรรมะกระถึกหายากพระแก่ผู้ทรงวิไนาหายาก ผู้บวชเมื่อแก่มีคุณธรรมหาได้ยากห้าประเภทอีกในยะหนึ่งพระแก่ว่าง่ายหายากพระแก่รับโอวาท ด, ด้วยดีหายากพระแก่ที่รับโอวาทโ ด, ดยเคารพหายากพระแก่ที่เป็นธรรมกระถึกหายากพระแก่เป็นผู้ทรงวินัยหายากภิกษุดุจนักรบห้าประเภทหนึ่ง ภิกษุเข้าไปบินทบดไม่สำรวมเห็นมาตุคามเกิดกำหนัดไม่บอกคืนสิกขาเสบเมทุนกับมาตุคามเหมือนนักรบตายในสนามรบ 2- ภิกษุไม่สำรวมเห็นมาตุคามเกิดความกำหนัดเดินกลับวัดคิดบอกลาสิกขาอย่างไม่ถึงวัดก็ลาสิคขาเองเหมือนนักรบถูกยิงบาดเจ็บถูกหามไปส่งญาต แต่เสียชีวิตระหว่างทาง 3. ภิกษุไม่สำรวมเห็นมาตุคามเกิดความกำหนัดกลับวัดไปบอกลาสิกขาเพื่อนปรุงมาจันกล่าวตักเตือนไม่ยอมฟังลาสิกขาไปเหมือนนักรบถูกยิงบาดเจ็บเข้าหามส่งญาตรักษาแต่เสียชีวิตในที่สุดสี่ ภิกษุไม่สารวมเห็นมาตุคามเกิดความกำหนัดกลับมาลาสิกขาถูกเพื่อนโรมจันตักเตือนได้สติตั้งใจประพฤติโรมจันต่อไปเหมือนนักรบถูกยิงบาดเจ็บเขาหามส่งญาติและญาติได้รักษาจนหายหภิกษุเข้าไปบินทบาทสำรวมอินทรีกลับจากบินทบาทนั่งเข้าสมาธิได้ฌาน และบรรลุความสิ้นกิเลสในที่สุดเหมือนนักรบเข้าสนามรบชนะสงครามประโยชน์ที่ควรถือเอาจากพก่อกระซับห้าอย่าง 1. เลี้ยงบิดามารดาบุตรพัญยาและคนในปกครองให้เป็นสุข 2. บำรุงมิตรสหายและผู้ร่วมงานให้เป็นสุขสา ใช้ป้องกันอันตรายสีท่ทำพลีห้าอย่างได้แก่ญาติพลีอติถิพลีปุพพะเปตะพลีราชาพลีเทวตาพลีห้าอุปธรรมบำรุงสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบ ภายในอนาคตที่ภิกษุควรคำนึงห้าประการหนึ่งควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องแก่คนแก่จะทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดทำไม่ได้ง่ายจึงควรภาคเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนที่ความแก่จะมาถึง 2. ควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจ็บ คนเจ็บจะทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายจึงควรพากเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนที่ความเจ็บจะมาถึง3ควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งคงบินทบาทเลี้ยงชีพลาบากสมัยข้าวยากหมากแพงคนคงไปรวมกันอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งอย่างพลุกพล่านซึ่งไม่สะดวกแก่การทำตามคำสอนพระพุทธเจ้า จึงควรภาคเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนที่ทุกภิกษภัยจะมาถึงสควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งมนุษย์คงมีภัยมนุษย์คงจะต้องหลังไหลไปในที่ที่ปลอดภัยณที่นั้นย่อมจะต้องมีการคลุกคลีกับหมู่คณะซึ่งยากที่จะทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าจึงควรภาคเพียรเพื่อบรรลุผลที่ต้องการ ก่อนที่ภัยจะมาถึงหควรคำนึงว่าสักวันหนึ่งสงคงแตกแยกกันเวลาที่สงแตกแยกกันเป็นการยากที่จะทำตามคำสอนพระพุทธองค์จึงควรจะภาคเพียนเพื่อบรรลุผลที่ต้องการก่อนก่อนที่สงจะแตกกันองค์แห่งพระหูสูตรห้าหนึ่ง พระหุดสุตาฟังมากหรือศึกษาเล่าเรียนมาก 2. ทัตตาทรงจำได้มาก 3. วจจะสาปริจิตตาท่องจนคล่องปาก 4. มณณาสานุเปกิตาแพ่งจนขึ้นใจหรือใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเจนใจ 5. ทิฏฐิยา สุปฏิวัติธาแทงทะลุด้วยความเห็นคือความเข้าใจลึกซึง้งธรรมะห้าอย่างทำให้เสะบุคคลเสื่อม 1. ชอบทำงานก่อสร้างหมายเหตุผู้อ่านในพระไตรปิฎกฉบับประชาชนท่านให้ความหมายตรงนี้ว่าชอบทำงานแบบเขรือหัดหรือทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับสอง ชอบคุยสชอบนอนสชอบคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะหไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมดุดราชสีจับสัตว์พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าราชสีเวลาออกหากินเหลียวดูสี่ทิศบลือสีหานาฏ เมื่อจับสัตว์ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กจะจับอย่างแม่นยำไม่พลาดชันใดตถาคตก็เช่นเดียวกันเวลาบรรลือีหานาตคือแสดงธรรมไม่ว่าแสดงแ ก, ภก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาปุตุชนโดยที่สุดแม้คนขอทานหรือปรานกก็แสดงโดยเคารพเพราะตะถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพในธรรม ธรรมะเป็นเหตุให้อายุสั้นอายุยืนห้าประการ 1. ไม่ทำความสบายแก่ตนเอง 2. ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 3. บริโภคอาหารที่ย่อยยาก 4. เป็นคนทุศีล 5. คบมิตรชั่วเหตุทำให้อายุยืนพึงทราบโดยในตรงกันข้าม ทุกของสมณะห้าประการไม่สันโดษในจีวรตามมีตามได้ไม่สันโดษด้วยบินขบาทตามมีตามได้ไม่สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ไม่สันโดษ ด, ด, ด, ด้วยขี้ลานปัจจัยเภสัตชคือยารักษาโรคตามมีตามได้และไม่ประพฤติพรหมจรรย์คนหลับน้อยตื่นมากห้าจำพวก ได้แก่สตรีผู้คิดถึงบุรุษบุรุษผู้คิดถึงสตรีโจรผู้มุ่งลักทรัพย์พระราชาผู้ทรงบริหารราชกิจและภิกษุผู้มุ่งบรรลุธรรมปราศจากกิเลสอา น, นิสงส์งการฟังธรรมห้าประการคือได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังแล้วเข้าใจชัดเจนขึ้น บรรเทาความสงสัยได้ทำความเห็นให้ถูกต้องและจิตย่อมผ่องใสโทษห้าประการของคนดุดป่าช้าหนึ่งมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่สะอาดดุดป่าช้าที่ศกปรก 2. เสียชื่อเสียงเพราะความชั่วนั้นดุดป่าช้าที่มีกลิ่นเหม็น สผู้มีศีลหลีกเขาห่างไกลเพราะกลัวภัยดุดป่าช้าที่คนหลีกห่างไกล 4. ผู้ทุศีนั้นย่อมอยู่ร่วมกับคนทุศีลเช่นตนดุดป่าช้าเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายห้ผู้ทุศีนั้นเป็นที่รำพึงรำพันด้วยความสงสารของผู้ทรงศีลดุดป่าช้าเป็นที่รำพันทุกข์ของคนทั้งหลาย